บรรดาท่านสายสายธรรมิกาทั้งหลายและท่านพระโยคาวาจรทั้งหลายวันนี้ข อ, อนำเรื่องธรรมิกาอุบาสกมาเล่าสู่กันฟังเพื่อการศึกษาสำหรับเรื่องนี้ปรากฏมีมาตามพมบาลี เองกล่าวไว้อย่างนี้คือว่าพระาศาสดาคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อสมมาทัพยัิยังสำราญอธิยาบทรายกฎว่าอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารในคราวนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมารสรงปรารูธรมิกาอมบาสก <c oughs> ยังได้ทรงตัดวัรรมเทศนานว่าอีทะมโมทติเปจะโมทติเป็นต้นเมื่อความขาองเรื่องนี้ก็มีว่าดังได้ยินมาว่าในสมัยนั้นคือในเขตเมืองสาวัตถีได้มีอุบาสกผู้ปฏิบัติธรรมประมาณห้าร้อยคน แล้วก็บรรดาวโวศตอุบาศิกษกทั้งหลายเหล่านั้นคนหนึ่งหนึ่งก็มีอุบาสกที่เป็นบริวารห้าคนละห้าร้อยคนสำหรับอุบาสกที่เป็นหัวหน้านั้นมีบุตรชายเจ็ดคนและก็มีบุตรหญิงเจ็ดคนเป็นอันว่าทั้งท่านอุบาสกคนดีทอุบาสิก า, า, าผู้เป็นพัญญา ก, ก็ดี เระบุตรชายเระบุตรหญิง้รวมด้กันสิบสี่คนก็ดีเป็นส6หกคนทั้งพ่อและแม่เป็นคนที่ประกอบไปด้วยศรัทธาหมายความว่าท่านหลายเหล่านี้ได้เป็นผู้มีการบริจาคทานเป็นปกติและก็มีศีลบริสุทธิ์มีกนยานธรรม คำว่ากัญยาณธรรมแปลว่าวผู้มีธรรมงามคือเมียรมใจงามท่านผู้เมียรมใจงามในที่นี้หมายความว่าเป็นผู้ทรงฌานสมาบัติคำว่าใจงามก็เป็นใจที่ปราศจากนิวรณห้าประการเพราะว่านิวรณห้าประการเป็นใจเลวผู้กง่าย คนใดเท่ท่านยังมีนิวรณเหนือกำลังใจและจิตใจยังเป็นท่ายของนิวรณอย่างนั้น เ, าเ้าจะเป็นคนใจเลวถ้าคนใดมีกำลังใจเมีอำนาจเหนือนิวรณคนนั้นเชื่อว่ามีใจงามจะเรียกว่ากัลยาณธรรมเพื่อทางามแล้วก็มีความยินดีเป็นอันมากในการจะแนกฐาน หมายความว่าเรื่องทานนี่ทกูลนี้ไม่อันทึงกล่าวว่าพระเอกนั้นต่อมาปรากฏว่าท่านธรรมิกาอมบาศกผู้เป็นหัวหน้าหรือหัวหน้าครอบครัวมีอายุสังขารเสื่อมทรามมากคือแก่หนักแล้ว<ม>ก็ล้มป่วยลง ขณะที่ร่ำป่วยประทนธรรมิกาอมบาศกมีความปรารถนาจะฟังธรรมจึงได้ส่งคนไปสู่สำนักพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าสร้างให้กราบฝุนว่าขอพระองค์จงประโปรดประทานสงภิษุมาแปดรูปหรือว่าศักดิ์ศรีหกรูปก็ได้ตามอธัธยาสัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรจะเห็นสมควร ให้มาสาธ่ยายมนคือาาแสดงทำให้ฟังเมื่อองสมเร็จพระสัมมาสมัสส ม, สสมสพุทธเจ้าทรงทราบจึงได้สง่งบรรดาวิสุทธิหลายไปบาลีไม่บอกจะ ด, ด้วยกี่รูปไม่ไปก็สิบหกเพะท่านไม่บอกก็ต้องดาวมแบบนี้เมื่อบรรดาวิสุทธงหลายเหล่านั้นไปแล้ว ก็นั่งบนอาสนะที่จะภาพตกแต่งไว้สำหรับอาสนะที่ก็ตกแต่งไว้เนี่ยก็คนป่วยนอนอยู่กลางแล้วบรรดาลูกทั้งหลายก็พาปูอาสนะคือผ้ารองนั่งล้อมคนป่วยนั่งล้อมเตียงเขาในเวลานั้นปรากฏว่าท่านธรรมิกาวบาศก ยังได้กราบเรียงกับบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นว่าท่านท่านผู้จเจริญเขารับการที่กระผมเห็นพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายนี้เชื่อ ว, ว่าเป็นอันกระทำได้โดยยากเพราะนานนานที่เห็นพระมาโปรดสักทีหนึ่งในสมัยนั้นพระมีไม่ดื่นมาสมัยนี้ เวลานี้ก็ผมเป็นผู้ทุกคนละภาพเป็นคนแก่และไปไหนไมันคือไหวขอพระผู้เป็นเจ้าจังทั้งหลายจงเจริญพระสูตรสุดใดสุดหนึ่งโปรดกับผมเถิดขอรับเพื่อการเจริญพ่อสูตรการสวดสวดสมัยนั้นท่านสอนเป็นภาษาปกาติของชาวเมืองเหมือนกับเราพูดภาษาไทย เป็นอนวาประสงค์จะสวดสวดสูตรวดใดสวดหนึ่งก็ตามทีเขาก็ฟังกันดูเรื่องแต่ดังว่าพระสูตรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศไปมากพระก็เลยไม่รู้จะสวดสตรอะไรจริงจะเป็นที่ถูกใจขโมคุณพวกฟังจึงได้ถามธนุมบาสกว่าท่านมีความประสงค์อยากจะฟังสตรไหนละโยม ท่านบาสุทธิในเกลียบเรู้ว่าเราผมอยากจะฟังมหาปฏิปทานนสูตรครับเพราะว่าเป็นเื่บสูตรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ทรงไม่ละหมายความว่าพระพุทธเจ้าเองก็เอาจิตทรงอยู่ในมหาปฏิปฐานนสูตรเป็นปกติฟังแล้วก็จําให้ดีนะครับ ว่าพระพุทธเจ้าเองก็ทรงอยู่ในมหาสติปัฏฐานาสูตรคือจิตของท่านแม่ละถ้านยาถามว่าพระพุทธเจ้าทรงจุดไหนเพราะว่าในมหาสติปัฏฐานาสูตรมีหลายสิบข้อผมก็จะขอตอบแทนพระพุทธเจ้าว่าทรงทุกข้อเจนั้นพวกเราผู้ปฏิบัติธรรม ตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโสอนสอนพ่หวังจะตัดตนให้พ้นจากวัฏาัาสงสารเมื่อขอท่านหลายจงพยายามศึกษาในมหาสติปัฐานสูตรให้มากและจงอย่าศึกษาเฉยเฉยปฏิบัติตามนั้น และจงปฏิบัติให้ได้ตามนั้นไม่ใช่ปฏิบัติสักแต่ว่าเพียงปฏิบัติถ้าปฏิบัติตามนั้นแล้วก็ปฏิบัติได้ด้วยท่านนั้นหลายก็จะพ้นจากกฏตาโ ส, สารเมื่อท่านทำไ ม, ม่เก่าอุบาสกคําว่าทำไ ม, ม่เก่าอุบาสกไม่แปลว่าอุบาสกผู้มีจิตประกอบปณิธรรม กราบเรียนในศาสตร์อย่างนั้นแล้วบรรดาประสมนั่นหลายก็ยังเริ่มสวดมหาปฏิปทานในสูตรต่อย่าลืมนะ <c oughs> ท่านสวดเวลานั้นคนฟังรู้เรื่องหมดไม่ใช่เหมือนกับพวกเราสวดก็สวดกันพวกเราไี่สวดกันคราวไม่รู้กี่สูตรเวลาไปสวดมนต์ยิ น, นก็ปรากฏว่าคนฟังสวดไม่รู้เรื่องเลย เนี่ยส่วนใหญ่พระที่ไปสวดก็ไม่รู้เรื่องเป็นอันว่าต่างคนต่างไม่รู้เรื่องและคนฟังจะมีผลเป็นประการใดก็ขอท่านทั้งหลายจงวินิจฉัยเอาเองก็แล้วกันดังนั้นเวลานี้ผมจึงไม่นิยมไปสวดมนต์ที่ไหนถ้าจะสวดก็ผมเองนี่เป็นเรื่องของผมเพราะผมรู้เรื่องแต่เวลาที่เราไปสวดให้ชาว บ, บ้านก็ไม่รู้เรื่อง ในคนสวยก็ไม่รู้เรื่องท่านก็ลองคิดดูสมมติว่าท่านพูดภาษาจีนไม่รู้เรื่องไม่เป็นฟังไม่รู้เรื่องในคนจีนก็ฟังภาษาของท่านไม่รู้เรื่องต่างคนต่างคุยกันแต่ใช้ภาษาแต่และของตนของตนอยากจะทราบ ว, ว่าคุยกันวันนั้นได้อะไรบ้างก็เป็นอันว่าไม่ได้ ก็เ ว, วลาไปก็เหมือนกันกับเวลาที่พระสงฆ์ทั้งหลายสวดมนต์เวลานี้นั่นแหละแต่ถ้าหากว่าผู้ฟังมีความเลื่อมใสในคำสวดนั้นเป็นเพียงพอใจในธรรมถ้มีความเลื่อมใสในคำสวดก็มีชื่อว่ามีอานิสงส์แด่ส่วนใหญ่จริงๆก็เห็นผมเคยไปสวด มันเป็นเรื่องของพระสวดโดยเฉพาะคนฟังตั้งใจฟังบ้างไม่ตั้งใจฟังบ้างดีไม่ดีเวลากำลังเทศอยู่นะเพราะยังไม่เทศงานแกก็ไม่มีเริ่มตอกตั้งแข็ง <c oughs> พอเวลาพระเริ่มเทศแกก็ตอกต้้งแข็งคร่อมขคร่อ ม, รมกรบเสียงพระเทศผมก็เลยเลิกไม่อยากจะไปเทศที่ไหนต่อไปอีกเหมือนกัน นอกจากก็ว่างานนั้นเป็นสาธารณประโยชน์จริงๆได้งานนั่นเขาพอใจในการฟังเทศจริงๆผมจึงจะไปเทศถ้าลงไปเทศแล้วทำอะไรตึงตังตึงตังโครมครางโครครามกลบเสียงประเดี๋ยวคงก็เหลิกเพราะในเมื่อเขาไม่ตั้งใจฟังจะสวดจะนลกจะสวดจะเทศไปทำเกลืออะไรฟังเรื่องนี้เป็นสำคัญ เป็นอนุบาตพระสมทั้งหลายยัง่ากำเริ่มสวดพระสูตรไปมหาสติปัฏฐานสูตรโดยขึ้นต้นหน่ยเอกายนโนอายัางพิกเวมะโคตชะตานังวิสุธิยาเป็นต้นบาลีตอนนี้แปลว่าพิสูจน์ทั้งหลายทางนี้เป็นทางอย่างเอกเป็นไปกับความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลาย ความจริงสูตรนิยาวมากตามพระบาลีท่านกล่าวว่าเพราะอาศัยท่านธรรมิกาอมบาสกมีจิตประกอบพฤิธรรมมีการถวายทานแต่บันดาประสงค์เป็นปกตินักษาศีลบริสุทธิ์มีกัญญานธรรมคือความประพฤติ ด, ดีกำลังใจดีผมขอพูดไ ง, ไง่ายๆว่าท่านไปพูดสรงชาญ แล้วก็มีความเคารพในพระรัตนตรัยอย่างยิ่งเท่านี้บรรดาท่านหลายฟังพอเข้าใจไหมเข้าใจไม้มว่าท่านธรรมิกาอมบาศกนี้เป็นคนระดับไหนถ้าไม่เข้าใจก็ขอควรความเข้าใจสักนิดหนึ่งว่าคนที่มีความเคารพในพระตัตนตรัยอย่างยิ่งหนึ่งสองมีศีลบริสุทธ สามทรงฌานสมาบัติครรมกันญาณธรรมคือทำลายนิวรณห้าเสียนได้จิตไม่เป็นท่ายของนิวรณ์ห้าคนประเภทนี้ท่านเรียกว่าพระอารียเจา้าแต่ว่าจะเป็นระดับไหนผมไม่พยากรณ์ก็ผมไม่ใช่พระพุทธเจา้า เป็นอ น, นว่าขณะที่พระเริ่มสดเวเอากายโนยังพิกเวมะโคสตานางวิสธิยาเป็นตนเวลานั้นก็ปรากฏว่าธิวรดาท่านหกชั้นคือชั้นจาตุมหาราชชั้นเดาดึงชั้นยามาชั้นหยุดสิธิ์ชั้นนิมมาดรดีชั้นปรนิมิตวะสวัสดีแต่และชั้นแต่งก็เอารถทิพ รถทิพนะแล้วก็มีมาทิพ ป, ประมาณพันห้าร้อยยอยกขบวนกันมาประมาณหนึ่งรอยห้าสิบยอดขอโทษหนึ150่งร้อยห้าสิบยดมาจากสวรรค์ทั้งหกชั้นวันดาที่วันดาทั้งหลายเหล่านั้นรออยู่บนอากาศแล้วก็ยืนอยู่บนรถแตงก็เชื่อเชื่อนว่าท่านเจ้าค่า ขบวิเจ้าจากนําท่านไปเทวโลกที่ขบวิเจ้าอยู่ขบวิเจ้าจากนําท่านไปเทวโลกที่ขบวิเจ้าอยู่ก็พูดซ้ําๆ ส, สักๆพ า, <c oughs> <c oughs> ากันพูดตั้งหกชั้นเสียงแซดไปหมดเป็นเหตุให้ทําให้ท่านทํามิากาอมบาลสกฟังสวดมนต์ไม่ได้เรื่องเป็นนั้นว่าเมื่อท่านฟังไม่ได้เรื่องท่านยังไง ความจริงท่านมีความตั้งใจจะฟังเสียงเสียงพระสวดมนต์ความประสงค์ที่ท่านชอบใจคือมหาสติปัฏฐานาสุดเป็นการชาระ จ, จิตไปตามธรรมแต่ว่าวันดาวเทวดาพู้นั้นก็มาส่งเสียงเออะอะวุ่ยวายร้อนแดงโกงกันว่าขอท่านจงละอัตภาพน้เสียและไปสู่อัตภาพใหม่อันเป็นทิ เหมือนกับคนทีละถาดที่ไม่ได้ดินโนแล้วก็ไปครองถาดตรงคำเพราะว่าอย่างนั้นเทวดาได้กวนใจท่านธรรมิกาอมบาศกท่านธรรมิกาอมบาศกไม่ปรารถนาที่จะฟังเสียงเทวดาเพราะว่าเป็นการทําอันตรายแก่การฟังธรรมของท่านท่านยิงกล่าวว่านี่ท่านทั้งหลายจงรอก่อนจงรอก่อน อย่าเพิ่งเอะไปรอก่อนเมื่อท่านพูดอย่างนี้ก็เป็นการพนดีกันจริงๆที่บรรดาพระท่านหลายเหล่านั้นที่ไปสวดประสูต่พระพุทธเจ้าทรงไปไม่มีพระอะไรเลยที่ได้ทิพยกุยานหรือว่าทรงอภิญญาไม่มีไม่สามารถจะเห็นที่บรรดาเห็นพรหมเห็นผีเห็นอะไรได้ทั้งหมด ก็เป็นพระปกติเห็นจะเป็นพระที่บวชใหม่หรือว่าบวชเก่าแต่ยังไม่ได้อะไรทั้งหมดจะมีอารมณ์อยู่บ้างก็เพียงว่าเคารพในพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสุรมสุขเท่านั้นฉะนั้นบรรดาวิสุทธิั้งหลายเมื่อได้ฟังว่าท่านจงรอก่อนท่านยงรอก่อนความจริงท่านพูดพูดไม่พอท่านโบกมือซะด้วย แต่ว่าท่านพูดกับเทวดาเนี่ยทำแบบโอ้ธรรมิกาอมาสศกไม่ได้พูดกับพระแต่พระท่าไม่เห็นเทวดาไม่ได้ยินเสียงเทวดามรนดาพระทั้งหลายเหล่านั้นยังได้หยุดนิ่งไม่มีความเข้าใจว่าเวลานี้ทรรมาอมัสศกบอกให้พวกเราหยุดได้รอไปก่อนตอนนี้เนี่กล่าวว่าในเวลานั้นบทดนตรีดาของธนทธรรมิกาอมาสศก มีความรู้สึกวเวลานี้วีดาของเราแต่การก่อนเป็นผู้ไม่อิ่มในการฟังธรรมขึ้นเชียว ก, การฟังธรรมแล้วก็พระพุทธเจ้าจะเทศกนดีพระอรหันจาเทศกนดีท่านไม่ยอมละขนาดใดที่ฟังข่าวว่าจะมีการสแสดงธรรมกันท่านไปที่นั่น แ้่การแสแดงทำยังไม่จบท่านก็ไม่ยอมเลิกเขาคิดกันว่าวัรนี้บิดาของเราให้นิมนต์พิสุททั้งหลายมาสวดแล้วก็ท่านก็บอกให้สวดมหาปฏิปฐานน่าสวดที่ท่านพอใจในการปฏิบัติเป็นปกติแล้วท่านกลับมาห้ามพระเสียเองเว็นอนว่าบิดาของเรานี่ ไมา่า จ, จะกลัวแต่ความตายเพื่อนชี้ว่าสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่กลัวต่มอมรณะภัยนั้นไม่มีในบรรดาลูกท่านหลายก็คิดว่าเวลานี้วิดาของเราคนจะมีอาการโปดรดร้าวมีทุกขเวทนาหนักนลอาจจะใกล้จะตายจึงไม่พากันร้องไห้บรรดาพระสงฆ์ท่านหลายที่ไปนั่งกับนั่งปรึกษากัน ไอ้คนเผยก็บอกให้เราหยุดมรนดาลูกหลานทั้งหลายก็พากันร้องไห้ถ้าไม่เป็นเรื่อง <c oughs> เวลานี้โอกาสของเราไม่มีซะแล้วไม่ใช่โอกาสพวกเรากลับคนดีกว่าในเมื่อคนนี้มุนมาไม่ต้องการฟังสวดและมรรดาลูกคนทั้งหลายก็ต่างคนร้องไห้นี่เราจะสวดให้ใครฟัง เมื่อการสวดสาธัยพยระสูวดคือมหาปฏิปฐานนั่งสซึ่งเป็นสูตรสําคัญที่สุดแม้แต่องค์สมเด็จพ ร, ระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็จังไม่ทรงละการปฏิบัติในสูตรนี้เมื่อโอกาสไม่มีแล้วก็ควรจะกลับจี่นพากันลุกจากอัศนะแล้วก็หลีกไป สำหรับท่านธรรมิกามาศห้ามเทวันดาอีกสักประเดี๋ยวหนึ่งเพราะเทวันดาแกมาหยุดพูดไม่หยุดเรียกทั้งหกชัน้นในต่างคนต่างเรียกกันมามันกรบเสียงพระกว่าเทวัดาจะหยุดพูดได้พระก็ไปหมดแล้วเมื่อเทวันดายหยุดพูด ท่านก็จิตกลับจากสัมภาระเทวดาตั้งใจว่าจะฟังพระธรรมคือพระธรรมมหาปฏิปทานสตดที่พระกำนังสวดอยู่เมื่อมองเข้าไปดูเห็นลูกๆพากันร้องไห้ยังได้ถามว่า น, นี่ลูกเอ๋ยจาร้องไห้กันเรื่องอะไร บรรดาลูกสาวลูกชายจะในกราบเรียนว่าพ่อพ่อให้นิมนต์พระมาแล้วตั้งใจจะฟังธรรมแต่ว่าเมื่อพระกำลังเริ่มสวดพระสูตรแสดงธรรมในมหาสติปัานสูตรพ่อก็กลับมาห้ามพระเมื่อเป็นเช่นนี้ผมก็คิดว่าพ่อคุณเยาวัฒวันต่อความตาย คิว่าสัตว์ผู้ไม่กลัวตายนั้นไม่มีในโลกนี้จึงได้พาคันร้องไห้ร้องไห้สงสารพ่อว่าพ่อจะตายเอาละสิท่มบาศก์เป็นถามว่าเวลานี้เนี่ยพระท่านท่านไปไหนสมุหมดโลกเอยพ่อกำลังจะฟังธรรมันดาบุตรทั้งหลายแล้วนั่นก็กล่าวว่าพระพูดเป็นเจ้าทั้งหลายท่านพูดกันว่า เวลานี้ไม่ใช่โอกาสของเราที่จะสวดทศทายพระสตดเพราะว่าท่านผู้ตั้งใจจะฟังท่านไม่อยากจะฟังท่านก็เลยลุกลับไปแล้วและพอ่อทุบบาลศฟังแล้วก็ตกใจว่าโอนนอที่เราคิดว่าเราจะฟังทำครั้งสุดท้ายแต่พรทาท่านหลายมีความเข้าใจผิดไปสมหมดแล้วแต่ก็ไม่เป็นไร จิตใจของเรายังมีความเคารพในพระพุทธเจ้ายังมีความเคารพในประธรรมยังมีความเคารพในพระอริยสงฆ์ฉะนั้นจะในบอกบรรดาบททั้งหลายแล้วนั้นว่า น, นี่ลูกเอ๋ยความจริงนะพ่อไม่ได้ห้ามแผละนะลูกนะมรนดาบทหญิงบทชาจึงถามว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็คุณพ่อห้ามใครเป็นคนรับ ธนมบาสุก็บอกว่าเวลาที่พระกาลังเริ่มสวดพ่อได้ยินคำได้เพียงว่าเอกายโนยังพิกเวมะโคส ต, ตางวิสติญาเป็ตนต้นเพียงเท่านี้เทวดาหกชั้นทพ่งกับมาจากเทวโลกก็รถมาเชิญให้พ่อไปสู่ในโลกที่ท่านอยู่เสียงกบสักพระเสร็จทั้งหมดพ่อไม่ได้ยินเสียงพระพระสวด พ่อจึงได้ห้ามท่านบอกว่ารอก่อนรอก่อนประเดี๋ยวก่อนได้ความจริงพ่อไม่ได้ห้ามพระนะทตอนนี้พ่อห้ามเทวดานี่ลูกเลยคิดว่าพระท่านยังอยู่กว่าเทวดาคจะหยุดพูดก็ลืมตายขึ้นใหม่ทับหายไปหมดแล้วมรนดาบุตรทั้งหลายแล้วนั่นก็สงสัยนี่นก็เอ๋พ่อแล้วนี่น่ากรู้จะเพ้อไปซะแล้ว ได้ถามว่าคุณพ่อเทวดาพวกนั้ น, นกรถทิพย์หกคันน่นอยู่ตรงไหนผมแลไม่เห็นครับท่าน <c oughs> บารสกตีนถามว่าลูกดอกไม้ที่เจ้าร้อยเป็นพวงไไมาลัยไว้มีบ้างไหมมันดาบุตรทั้งหลายก็บอกมีพ่อเอาบูชาพระเยอะแยะไปทำไม่เยอะท่านบารสก็ยินถามว่าลูก เทวโลกชั้นไหนนะ่ะเป็นชั้นที่มีความสุขระรื่นเริงไปที่หน้าอยู่บรรดาบุตรลธิดาทั้งหลายก็กราบเรียนว่าคุณพ่อชั้นดุสิต ท, ที่รับเป็นที่ประทับของพระโพธิสัตว์ทุกทุ ก, ทกพระองค์และเป็นที่ประทับของพระพุทธบิดาและพระพุทธมารดา เป็นที่รื่นรมกว่าบรรดาเทวดาทุกชั้นไปนรุ่นรื่นรมก็มีความสุขดุสิตะนี่ก็แปลรื่นรมหรือว่ารื่นเริงหั่นสาท่านธรรมิกาอมบาสุติกล่าว่าถ้าอย่างนั้นพระเจ้าจงเสี่ยงตั้งใจติฐานว่าค้อนวงดอกไม้นี้จงคลองที่งอนรถของเทวดาชั้นดุสิต ตั้งใจอย่างนี้แล้วก็โยงขงภูมิลัยขึ้นไปเท็่ยวโลกบรรดาบุตรทั้งหลายเหล่านั้นตั้งจิตอันดิษฐานแบบนั้นแล้วก็โยนภงอิลัยขึ้นไปภูมิลัยก็ไปคล้องที่แอกรถห้อยอยู่ในอากาศบรรดามาหาชนมีลูกเป็นต้นไม่เห็นรถเห็นแต่ภูอิลัยลอยอยู่ ท่านบาสุกติมพดว่านี่เจ้าทั้งหลายเห็นภูมิลาัยนั้นไหมเมื่อบุตรทินดาทั้งหลายก็บอกว่าเห็นจ้าพระเนรกล่าวว่าภูมิลาลัยดอกไม้นั้นห้อยอยู่ที่รถทีมาา่มาจากชั้นดุสิตเพราะว่ามาจากชั้นดุสิตเราจะถ้าเราตายคือเดี๋ยวว่าเดี๋ยวหนึ่งเราจะไปอยู่พบชั้นดุสิต เป็นน้าผู้เจ้าอย่าวิตกเลยพ่อตายคราวนี้นะ่ะไม่ใช่เดียกว่าตายเป็นนว่าพ่อเดินจากไปเจ้าก็แล้วกันจากเจ้าไปก็แล้วกันพู้เจ้ามีความปรารถนาจะเกิดในสำนักของพ่อจงทําบุญตามที่ทํามาแล้วทั้งหมดตามที่ทํานองที่พ่อทํามาแล้วเถิดแต่ที่แล้วเป็นนว่าท่านก็ หมดสิ้นสิ้นลมปราณทากาและเขาบราสิ้นลมปราณตายแล้วก็ดำรงอยู่บนชั้นดุสิตในดาบภาพมีความสูงสามขาวก็คือ300สามร้อยนว่าดับไม่ได้เครื่องอลังการหนักอ่าหนักได้หกสิบเล่มเกวีย น, เ ก, นเกิดในทันทีทันใดเหมือนกับพิกตานแล้วมีนางเทพมาสอนแวดล้อมแล้ว แล้วมีวิมานแก้วสูงประมาณยี่สิบห้าโยต์ปรากฏแล้วกับท่านอรบันดา ธ, ธรรมโยคาวจรทั้งหลายเรื่องราวคองท่านธรรมิกาอมบาศกนี้เป็นสิ่งควรศึกษาแต่เพาะว่าเวลาหมดเสีแล้วสำหรับวันนี้ก็ข อ, อยุติเรื่องธรรมิกาอมบาศกไว้แต่เพียงเท่านี้